การได้มาพบกับพระพุทธศาสนาเป็นการได้พบกับสิ่งที่มีคุณค่าที่สุดมีคุณค่ามากกว่าสิ่งต่างๆที่มีอยู่ในโลกนี้เพราะว่าพระพุทธศาสนามีพระรัตนตราย มีแก้วสามประการคือหนึ่งพระพุทธรัตนะสองพระธรรมรัตนะสามพระสังครัตนะเป็นรัตนะคืออัญญมณีหรือเพชรพลอยที่ล้ำค่าล้ำค่ายิ่งกว่าเพชรพลอยอั ญ, ญมณี ที่มีอยู่ในโลกนี้ต่อให้มีเพชพรพลอยอั ญ, ญมณีกองเท่าุกเขาก็สู้การมีพัฒพุทธรัตนะมีธรรม ร, รัตนะมีสังครัตนะไม่ได้เพราะว่าเพชพรพลอยกองเท่าวกเขาเไม่สามารถที่จะทำให้ ใจิตใจของผู้ครอบครองนั้นพ้นจากความทุกข์ต่างๆได้พ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดพ้นจากการเกิดแก่เจ็บตาย ม, มีแต่พระพุทธรัตนะพระธรรมรัตนะ<ม>และพระสังฆรัตนะท่านั้นที่จะสามารถทำให้ผู้มีพระรัตนะ นี้ได้หลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งหลายได้ความทุกข์ต่างๆที่มีในใจของผู้ที่มีพระพุทธรัตนะพระธรรมรัตนะพระสังฆรัตนะนี้จะไม่มีหลงเหลืออยู่ภายในจิตใจเลยจิตใจจะมีแต่ปรมังสุขขังมีแต่บัลมมะสุขเพียงอย่างเดียว นี่คือคุณค่าอันมหาศาลของพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ที่ไม่มีอะไรในโลกนี้จะมีคุณค่ามีความสามารถที่จะทำได้เหมือนกับพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ต่อให้มีเงินทองกองเท่าภูขเขาต่อให้เป็นประธานาธิบดีพระราชามหากษัตริย์มหาจักรพรร มหาเศรษฐีก็ยังจะต้องอยู่กับความทุกข์ต่างๆอยู่ยังไม่สามารถหลุดพ้นจากความทุกข์ต่างๆไปได้เพราะราบยศสรรเสริญไม่สามารถที่จะกาจัดความทุกข์ต่างๆที่มีอยู่ภายในใจให้หมดไปได้ มีแต่จะทำให้ความทุกข์ที่มีอยู่ภายในใจนั้นมีเพิ่มมากขึ้นไปอีกดังนั้นถ้าเราได้มาพบกับพระพุทธศาสนาแล้วเราควรที่จะรีบตักตวงประโยชน์สุขที่เราพึงจะได้รับจากพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์กันอย่าเสียเวลาไปกับ การหาประโยชน์สุขจากทรัพสมบัติเข้าของเงินทองต่างๆไปหาประโยชน์สุขจากตาแหน่งต่างๆเพราะมันไม่สามารถที่จะทำให้เราหลุดพ้นจากความทุกข์ได้ไม่สามารถทำให้เราได้พบกับความสุขอันสูงสุดความสุขที่ไม่มีวันหมด ไม่มีวันสิ้นได้ขอให้เราเข้าหาพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์กันเถิดเพราะเมื่อเราได้เข้าหาพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์แล้วเราจะได้เรียนรู้วิธีการปฏิบัติที่จะทำให้ความทุกข์ต่างๆที่มีอยู่ภายในใจของพวกเราให้หายไปหมดได้ เพราะว่าพระพุทธเจ้าเป็นผู้ที่ได้ส่งศึกษาค้นคว้าและปฏิบัติจนพระไทยของพระองค์นั้นได้หลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งปวงแล้วหลังจากที่พระองค์ได้ส่งหลุดพ้นแล้วพระองค์ก็นําความรู้ที่พระองค์ได้ส่งค้นพบเอาวิธีการปฏิบัติ ที่พระองค์ได้เคยปฏิบัติจนหลุดพ้นจากความทุกข์มาเผยแผ่สั่งสอนให้แก่สัตว์โลกอย่างพวกเราถ้าพระพุทธเจ้าไม่ได้ทรงตัดสรูหรือถ้าทรงตัดสรูแล้วไม่ประกาศพระธรรมคำสอนพวกเราก็จะไม่มี โอกาสที่จะหลุดพ้นจากความทุกข์ต่างๆได้เลยแต่เรานอกจากมีพระพุทธเจ้าที่ทรงตรัสรู้แล้วยังทรงประกาศพระธรรมคำสอนให้แก่สัตว์โลกพระธรรมคำสอนนี่แหละเป็นคำสอนที่จะสอนให้พวกเรา ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบปฏิบัติให้หลุดพ้นจากความทุกข์ต่างๆได้ถึงแม้ว่าเราจะไม่มีพระพุทธเจ้าแล้วในขณะนี้ก็ตามแต่พระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้านี่แหละเป็นองค์ประกอบที่สำคัญถ้าเราได้พบกับพระพุทธเจ้า แต่ถ้าเราไม่ได้ฟังพระธรรมคําสอนการพบกับพระพุทธเจ้าก็ไม่เกิดประโยชน์อะไรการพบกับพระพุทธเจ้านี้ก็เพื่อที่จะได้ฟังพระธรรมคําสอนนั่นเองถึงจะได้รับประโยชน์ถ้าพระพุทธเจ้าไม่ทรงสั่งไม่ทรงสอนเราก็จะไม่รู้วิธีการปฏิบัติเพื่อให้เราหลุดพ้น อยากความทุกข์ได้ดังนั้นถึงแม้ว่าในตอนนี้จะไม่มีพระพุทธเจ้าแล้วก็ตามแต่เรามีพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าที่พระพุทธเจ้าได้ทรงตัดไว้ชอบแล้วนี้มีการบันทึกไว้ในสื่อต่างๆที่เราสามารถที่จะศึกษาค้นคว้าได้ เพื่อที่เราจะได้รู้วิธีการปฏิบัติที่ถูกต้องที่จะทำให้เราหลุดพ้นจากความทุกข์ต่างๆได้นี่คือพระธรรมรัตนะอันย่ำมดีอันมีคุณค่าคือพระธรรมรัตนะเป็นตัวแทนของพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าทรงตัดไว้ก่อนที่จะทรงสละ ทรงสละขันทรงละขันจากโลกนี้ไปพระองค์ได้ทรงตัดไว้ว่าธรรมวินัยที่เราได้สอนนี่แหละจะเป็นศาสดาของพวกเธอต่อไปพวกเธอจะไม่ได้อยู่ปราศจากศาสดาถ้าพวกเธอมีพระธรรมคำสอนของเราเหมือนกับมีพระพุทธเจ้ามาสั่งมาสอนเราต่อหน้าเลย เวลาที่เราศึกษาเวลาที่เราอ่านหรือฟังธรรมของพระพุทธเจ้าเหมือนกับเราได้ฟังธรรมต่อหน้าพระพักของพระพุทธเจ้าเลยอันนี้เป็นพระรตานะที่สองที่สําคัญพระรัตานะที่สามที่สําคัญเท่าๆกันก็คือพระสังฆรัตานะ พระสังฆรัตนะก็คือพระอริยสงฆ์สาวกทั้งหลายนับตั้งแต่ขั้นแรกคือขั้นพระโสดาบันขึ้นไปจนถึงพาาระอรหันตสาวกท่านเป็นพระสังฆรัตนะ <c oughs> เป็นผู้ที่ได้ศึกษาได้ปฏิบัติและได้หลุดพ้น <c oughs> จากความทุกข์ ในระดับต่างๆกันและจะหลุดพ้นได้อย่างเต็มที่ตามลําดับเช่นพระโสดาบันนี้จะได้หลุดพ้นจากความทุกข์ในระยะเวลาไม่เกินเจ็ดชาติเป็นอย่างมากท่านได้เข้าสู่กระแสของพระนิพพานท่านได้ดับความทุกข์ในระดับแรกแล้ว แต่ยังไม่ได้ดับอีกสามระดับถ้าท่านปฏิบัติต่อไปเรื่อยๆไม่ช้าก็เร็วท่านก็จะหลุดพ้นจากความทุกข์อย่างสิ้นเชิงได้อย่างช้าที่สุดก็ไม่เกินเจ็ดชาติระดับที่สองคือพระสกีดาคามีท่านเป็นผู้ที่ได้ปฏิบัติและกำจัดความทุกข์ได้ สูงขึ้นอีกระดับหนึ่งนะท่านจะไม่กลับมาเกิดมากกว่าหนึ่งชาติภายในหนึ่งชาติท่านก็จะสามารถหลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งปวงได้ถ้าท่านต้องตายไปก่อนแต่ถ้าท่านสามารถปฏิบัติต่อไปได้ท่านก็สามารถที่จะหลุดพ้นจากความทุกข์ได้ภายในชาตินี้เลย แต่ถ้ามีอุบัติเหตุมีอะไรทาให้ไม่สามารถปฏิบัติต่อได้ในชาตินี้ก็จะกลับมาเกิดเพียงอีกชาติเดียวเท่านั้นเกิดมาเป็นมนุษย์อีกชาติเดียวส่วนพระอนาคามีนี้ท่านจะไม่ต้องกลับมาเกิดเป็นมนุษย์แต่ท่านยังต้องไปเกิดเป็นพรหมอยู่อีกชาติหนึ่งแล้วท่านก็จะ บรรลุเป็นพระอาหารหันต์ได้ไปถึงพระนิพพานได้หลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งปวงพระอริยบุคคลทั้งสี่ระดับนี้สามารถที่จะสั่งสอนพวกเราให้ได้หลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งหลายได้เหมือนกับพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าเหมือนกับพระพุทธเจ้า เพราะท่านเห็นทางที่จะนำไปสู่การหลุดพ้นจากความทุกข์แล้วเพียงแต่ว่าบางท่านยังไปไม่ถึงขั้นสุดท้ายเท่านั้นเองแต่ท่านสามารถที่จะปฏิบัติไปโดยที่ไม่ต้องมีใครมาสั่งสอนอีกต่อไปท่านรู้จักการปฏิบัติให้หลุดพ้นไปถึงพระนิพพานได้แต่ยังไปไม่ถึง ยังอยู่ในการปฏิบัติอยู่ท่านเหล่านี้ก็จะสามารถสั่งสอนให้พวกเราหลุดพ้นจากความทุกข์ต่างๆได้นี่คือพระรัตนใยที่พวกเราได้มาพบกันขอให้พวกเราเข้าหาแล้วก็ศึกษาจากพระธรรมคำสอนก็ดี จากพระอริยสงสาว ก, ก็ดีเมื่อเราได้ศึกษาแล้วเราจะได้รู้วิธีการปฏิบัติที่จะกำจัดความทุกข์ต่างๆให้หมดสิ้นไปจากใจของพวกเราแล้วเราก็จะได้พบกับปรมังสุขขงังความสุขที่เหนือกว่าความสุขทั้งปวงในสมัยพุทธกาล มีเศรษฐีท่านหนึ่งได้ออกบวชและหลังจากที่ได้ศึกษาได้ปฏิบัติก็ได้บรรลุเป็นพระอรหันต์พอได้พบกับนิบบานังปรมังสุ ข, ขังได้พบกับบรมสุขของพระนิพพานท่านก็อดที่จะอุทานออกมาไม่ได้สุขหนอสุขหนอเวลาท่านไปไหนเดินไปไหนมาไหน ท่านก็บนพึมพำไปสึกหนอสุกหนอสุกหนอพระรูปอื่นที่ยังไม่ได้บรรลุธรรมพอเห็นท่านมีกิริยาการไม่สำรวมก็เลยไปกราบทูลพระพุทธเจ้าให้ทรงทราบ พ, พอพระพุทธเจ้าทราบก็เลยเรียกเศรษฐีพระเศรษฐีรูปนั้นมาสอบถาม ว่าทำไมไม่สำรวมเหลอทำไมต้องอุทานสุขหนอสุขหนออยู่เศษฐีพระเศรษฐีรูปนั้นก็ตอบว่าก้าวกระผมนั้นในก่อนที่ผมจะมาบวชผมก็เป็นเศรษฐีมีทรัพย์มากมายแต่ความเป็นเศรษฐีการมีทรัพย์มากมายนั้นไม่เคยทำให้ผมได้พบกับความสุขอย่างที่ผมได้พบในตอนนี้เลย พอผมได้ศึกษาพระธรรมคำสอนได้น้อมนำเอาไปปฏิบัติจนจิตของผมได้หลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งปวงได้พบกับความสุขของพระนิพพานมันก็ทำให้กับผมนี่ราบซึ้งใจจนไม่สามารถที่จะห้ามจิตใจให้อุทานว่าสุขหนอสุขหนอได้ พอพระพุทธเจ้าได้ได้สอบถามแล้วก็บอกว่าไม่เป็นไรอุทานแบบนี้ไม่ได้ถือว่าไม่สำรวมอันนี้พูดเปรียบเทียบให้เห็นว่าถึงแม้จะเป็นเศรษฐีก็ยังไม่เคยพบความสุขของพระนิพพานที่ยิ่งใหญ่กว่าความสุขของเศรษฐีหลายร้อยเท่าหลายพันเท่า พอได้พบกับความสุขของพระนิพพานก็เลยอดที่จะอุทานออกมาไม่ได้ว่าสุขหนอสุขหนอะมีความสุขมาก <c oughs> นี่แหละคือสิ่งที่เราจะได้รับจากพระรันาตนตัย <c oughs> เราจะได้รับสุขหนอสุขหนอได้รับนิบบานังปลาลมังสุขขังความ บัลมมาสุขของพระนิพพานจะเป็นผลตอบแทนจากการที่เราได้มีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นผู้สั่งผู้สอนพวกเราเราจึงต้องมีศรัทธามีความเชื่อแต่ไม่ได้เป็นศรัทธาความเชื่อแบบงมงายคือไม่ได้เชื่อเฉย การเชื่อเฉยๆนี้ไม่เป็นคุณเป็นประโยชน์ทางศาสนานี้ไม่ได้สอนให้เชื่อเฉยๆสอนให้เชื่อเพื่อนำเอาไปทดสอบเอาไปพิสูจน์ว่าคำสอนที่สอนนี้จริงหรือไม่จริงปฏิบัติไปแล้วจะหลุดพ้นจากความทุกข์ได้หรือไม่ ปฏิบัติไปแล้วจะได้พบกับสุขหนอสุขหนอจริงหรือไม่อันนี้แหละคือความเชื่อที่พวกเราควรจะมีกันเชื่อว่าพระพุทธเจ้าได้ทรงพบสุขหนอนี่แล้วเชื่อว่าพระอริยสงสารุกทั้งหลายได้ศึกษาได้ปฏิบัติและได้พบกับสุขหนอนี่แล้ว คำสอนของพระพุทธเจ้าก็ดีคำสอนของพระอริยสงสารกกรดีเป็นคำสอนที่จะพาให้เราได้ไปพบกับนิพพานังปรมังสุขขังอย่างแน่นอนอันนี้คือความเชื่อที่พวกเราควรจะมีกันเพราะถ้าเราไม่เชื่อเราก็จะไม่ปฏิบัติตามนั่นเองถ้าเราไม่เชื่อว่าพระพุทธเจ้าได้พบกับบรมสุขแล้ว ไม่ได้ไม่เชื่อว่าพระอริยสงฆ์สาวกทั้งหลายได้พบกับบรล ม, มาสุขแล้วเราก็จะไม่เชื่อคําสั่งคําสอนของพระพุทธเจ้าคําสั่งคําสอนของพระอริยสงฆ์สามโลกเมื่อเราไม่เชื่อเราก็จะไม่ปฏิบัติตามเหมือนกับเวลาที่เราไม่สบายเราไปหาหมอ หมอก็บอกว่าคุณเป็นโรคนั้นโรคนี้ถ้าคุณเอายาที่หมอให้นี้ไปรับประทานโรคของคุณก็จะหายเพราะหมอได้รักษาโรคนี้มาอย่างโชคชนแล้วถ้าเป็นคนไข้ไม่เชื่อหมอไม่เชื่อว่าหมอรักษาโรคนี้ได้ไม่เชื่อว่ายาที่หมอให้มานี้จะรักษาโรคนี้ได้ คนไข้ก็จะไม่กล้ารับประทานยาคนไข้จะหายจากโรคภัยไข้เจ็บได้ก็ต้องเชื่อหมอเชื่อยาเชื่อว่าหมอรู้จักวิธีรักษาเชื่อว่ายาที่หมอให้มารับประทานนี้จะรักษาโรคต่างๆให้หายไปจากร่างกายได้คนไข้จึงมักจะเชื่อหมอกัน เพราะหมอตนี้ได้พิสูจน์ตนเองแล้วว่าเป็นหมอที่รักษาโาครคภัยไข้เจ็บต่างๆให้หายได้ไม่มีใครมาฟ้องร้องว่าเป็นหมอปลอมหมอที่รักษาตามโรงพยาบาลต่างๆนี่ไม่มีใครไปฟ้องร้องว่าเป็นหมอปลอมคนที่ไปรักษาตามโรงพยาบาล น, นี้จะเชื่อหมออย่างร้อยเปอร์เซ็นต หมอสั่งให้ทำอะไรให้รับประทานอะไรให้ผ่าให้ตัดอะไรก็จะเชื่อแล้วพอเชื่อปล่อยให้หมอรักษาไม่นานก็หายจากโกาครคภัยไข้เจ็บไปนี่เราก็ต้องเชื่อพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์อย่างนั้นเราต้องเชื่อว่าพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์นี้เป็นหมอรักษาโรคใจของพวกเราโรคใจของพวกเรา คืออะไรก็คือความทุกข์ต่างๆแล้วท่านก็ให้ยาให้พวกเรามารักษามารับประทานกันยาก็คือธรรมะโอสดวิธีการปฏิบัติต่างๆที่พระพุทธเจ้าและพระอริยสงสาวกได้ปฏิบัติจนหนุดพ้นจากความทุกข์แล้วท่านก็เอาวิธีการปฏิบัติเหล่านั้น มาสั่งมาสอนมาบอกพวกเราถ้าพวกเราเชื่อว่าพระพุทธเจ้าได้หลุดพ้นพระอริยสงสาวดได้หลุดพ้นจากความทุกข์ด้วยการปฏิบัติที่ท่านเอามาสั่งมาสอนพวกเราถ้าเราปฏิบัติตามเราก็จะหลุดพ้นจากความทุกข์ได้อย่างแน่นอนนี่คือความเชื่อที่เราจะต้องมีกัน ความเชื่อในพระพุทธศาสนาไม่ได้ให้เชื่อแบบไม่มีการพิสูจน์อย่างในคำสอนของศาสนาหรือลัท ธ, ธิอื่นที่สอนว่าพระเจ้าสร้างโลกมรืพระเจ้าสร้างมนุษย์ต่างๆขึ้นมาแล้วพอมนุษย์ทำบาปก็ส่งลูกของพระเจ้ามาถ่ายบาปเพื่อที่จะให้ลูกให้มนุษย์ทั้งหลายได้หลุดพ้นจากความ ทุกที่เกิดจากการกระทำบาปกันอันนี้เป็นคําสอนที่ไม่มีวิธีการจะทดสอบหรือจะพิสูจน์ได้ว่าจริงหรือไม่เป็นอย่างไรอันนี้เป็นความเชื่ออย่างเดียวต้องเชื่ออย่างเดียวเท่านั้นเชื่อว่าพระพุทธพ ร, พระเจ้าเป็นผู้สร้างโลกเป็นผู้สร้างมนุษย์สร้างสัตว์ทั้งหลายขึ้นมา พอสัตว์ทั้งหลายทำบาปทำกรรมกันพระเจ้าก็ส่งลูกมาไถ่าบาปให้ <Yeah. S 1> ผู้ที่เชื่อพระเจ้าเชื่อในการไถ่าบาปของลูกของพระพุทธเจ้ า, เาลูกของพระเจ้าก็จะหลุดพ้นจากโทษที่เกิดจากการกระทำบาปต่างๆได้ <Yeah. S 1> แต่ไม่มีใครที่จะพิสูจน์ได้ว่าจริงหรือไม่ yeah. ต้องเชื่ออย่างเดียวแต่ทางพระพุทธศาสนานี้สิ่งที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนนี่ท่านสามารถที่จะให้เราพิสูจน์ได้ผู้ที่พิสูจน์ก็จะได้รู้ว่าคำสอนของพระพุทธเจ้าจริงหรือไม่คือพระอริยสงฆ์สาวกทั้งหลายนี่ท่านเป็นผู้ที่ได้ศึกษาได้ปฏิบัต ตามคำสอนของพระพุทธเจ้าจนได้หลุดพ้นจากความทุกข์ต่างๆจึงเป็นผู้ที่มายืนยันมารับประกันคำสอนของพระพุทธเจ้าว่าเป็นความจริงร้อยเปอร์เซ็นเป็นสวากขาโตภควตาธรรมโมเป็นธรรมเป็นธรรมที่ตัดไว้ชอบแล้วทุกประการอันนี้มี มีผู้ที่มาพิสูจน์มารับรองส่วนผู้ที่ไม่ได้พิสูจน์ไม่ได้ก็ไม่กล้ามารับรองอย่างพวกเรานี้ยังไม่ได้พิสูจน์กันพวกเราก็ยังมีแต่ความเชื่อแต่ยังไม่กล้ารับรองว่าทำที่พระพุทธเจ้าทรงสอนนี้เป็นความจริงหรือไม่ สามารถทำให้ผู้ปฏิบัติหลุดพน้นจากความทุกข์ต่างๆได้จริงหรือไม่เพราะเรายัางไม่ได้พิสูจน์เรายัางไม่ได้พบกับความจริงของคำสอนของพระพุทธเจ้าคือเรายัางไม่ได้หลุดพน้นจากความทุกข์ต่างๆนั่นเองออเราก็ยังอาจจะมีความสงสัยลังเลสงสัยอยู่ได้ แต่ถ้าเราได้ปฏิบัติจนได้บรรลุธรรมขั้นต่างๆแล้วเนี่ยความลังเลสงสัยต่างๆในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์นี่จะหายไปหมดเลยจะไปจะหายไปตั้งแต่ขั้นที่หนึ่งคือขั้นพระสูดาบันเมื่อปฏิบัติไปจนบรรลุธรรมแล้วก็จะหายสงสัยในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ว่ามีจริงหรือไม่พระพุทธเจ้าที่ พระศูนต์มาแล้วสองพันห้าร้อยกว่าปีนี้มีจริงหรือไม่พระธรรมคําสอนที่จะทําให้สัตว์โลกทั้งหลายหลุดพ้นจากความทุกขนี้เป็นความจริงหรือไม่พระโสดาบันนี้ได้พิสูจน์แล้วว่าเป็นความจริงเพราะพระโสดาบันได้หลุดพ้นจากความทุกขจากการที่นําเอาคําสอนของพระพุทธเจ้ามาปฏิบัตินั่นเอง จึงไม่สงสัยในพระพุทธธรรมพระสงฆ์ไม่ต้องไปประเทศอินเดียเพื่อไปพิสูจน์เพราะไปประเทศอินเดียก็จะไม่ได้พบกับพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้านั้นท่านตายไปแล้วสองพันห้าร้อยกว่าปีสิ่งที่จะได้พบก็คือซากประหลักหักพังที่พระพุทธเจ้าของสถานที่ที่พระพุทธเจ้าเคยประทับอยู่เช่นที่ประสูตร ที่ตัดสรู้ที่แสดงธรรมครั้งแรกและที่สเสด็จดับขันธ์ปาินิพานเป็นเพียงสถานที่ที่กายเป็นซากผลักหักพังไปหมดแล้วครับไปประเทศอินเดียก็ไม่มีวันที่จะได้พบกับพระพุทธเจ้าแต่อย่างน้อยก็จะได้เห็นสถานที่ที่ว่าพระพุทธเจ้าเคยประทับอยู่ก็อาจจะทําให้ มีความศรัทธา ม, มั่นคงขึ้นกว่าการที่ไม่ได้ไปเลยถ้าไม่ได้ไปเลยก็อาจจะไม่รู้ว่าสิ่งที่เขาพูดสิ่งที่เขาสอนกันนี้เป็นความจริงหรือไม่แต่พอได้ไปที่ประเทศอินเดียก็จะได้เห็นสถานที่ที่พระพุทธเจ้าได้ประทับอยู่ก็อาจจะทำให้มีศรัทธาความเชื่อขึ้นมาในระดับหนึ่ง แต่ก็ยังไม่มั่นคงเหมือนกับความเชื่อที่ได้จากการบรธธรลุรมขั้นที่หนึ่งก็คือการบรรลุเป็นพระโสดาบันเพราะพระโสดาบันนี้จะได้พบกับพระธรรมคือได้หลุดพ้นจากความทุกจากการปฏิบัติตามพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าก็จะเห็นธรรมปรากฏขึ้นมาในใจ แล้วเมื่อเห็นธรรมก็จะไม่สงสัยในพระพุทธเจ้าผู้ผู้ทรงแสดงธรรมผู้ได้ทรงค้นพบธรรมอันนี้คือการหลุดพ้นจากความทุกข์เนลยก็จะมีความเชื่ออย่างร้อยเปอร์เตว่าพระพุทธเจ้านี้มีจริงพระธรรมคาสอนของพระพุทธเจ้านี้มีจริงและพระอริยะสงสารุกก็มีจริงเพราะพร ะ, พระ ผู้ที่ได้บรรลุธรรมขั้นแรกนี้ก็เป็นพระอริยสงสาวกขึ้นมาโดยอัตโนมัติได้มีดวงตาเห็นธรรมได้ดุดพ้นจากความทุกข์ในขั้นที่หนึ่งนี่คือวิธีการเข้าหาพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ที่แท้จริงต้องเข้าหาด้วยการศึกษาพระธรรมคําสอนแล้วนําเอาพระธรรมคําสอนนั้นไปปฏิบัติ อย่างเคร่งครัดอย่างถูกต้องเรียกว่าปฏิบัติดีปฏิบัติชอบนะถ้าได้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบแล้วการบรรลุพระธรรมครับการบรรลุถึงพระธรรมของพระพุทธเจ้าการมีดวงตาเห็นธรรมก็จะเป็นผลที่เกิดขึ้นมาอย่างแน่นอนแล้วก็จะไม่สงสัยในพระพุทธรธรรมพระสงฆ์อีกต่อไป ว่ามีจริงหรือไม่มีแต่จะมีศรัทธาที่จะปฏิบัติต่อไปอย่างเข้มข้นอย่างก้าหาญและถ้ามีการปฏิบัติอย่างต่อเนื่องอาจจะสามารถหลุดพ้นได้ภายในระยะเวลาอันใกล้เจ็ดวันบ้างเจ็ดเดือนบ้างหรือเจ็ดปีบ้างอย่างแน่นอนนี่คือ เรื่องของพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ที่เราได้มาพบจากการที่เราได้มาพบกับพระพุทธศาสนาเมื่อเราได้พบอัญญมณีได้พบลัตตนะที่มีคุณค่ามหาศาลยิ่งกว่าอัญญมณีลัตตนาต่างๆที่มีอยู่ในโลกนี้เราจะไม่ยีบหยิบขึ้นมาเป็นสมบัติของเราหรือเราจะปล่อยให้มัน อยู่กับดินไปโดยไม่มีความสนใจเลยหรือ mm. เราจะเป็นแบบพวกไก่ที่ได้พลอยหรือเปล่า mm. ไก่นี้เวลาเขาหากิน mm. เขาจะขุดคุ้ยหาตัวหนอนตัวไส้เดือนโด mm. วมแมลงต่างๆแต่เวลาพอเจอเพชรเจอพลอยขึ้นมา mm. เขาเขียทิ้งไปเขี่ยทิ้งไปเพราะเขาไม่รู้คุณค่าของเพชรของพลอยนั่นเอง รับประทานไม่ได้แต่ถ้าเขารู้ว่าถ้าเขาเอาเพชรพลอยนี้ไปขายเขาจะสามารถซื้อซื้อตัวหนอนตัวไส้เดือนซื้ออาหารกินไปจนวันตายกินอย่างไม่มีวันหมดแต่เขาโง่เขาไม่ฉลาดเขาไม่รู้คุณค่าของเพชรของพลอยเขาก็เลยต้องหากินแบบเช้าหาเช้ากินขําไป ตลอดชีวิตเนี่ยบางวันก็อิ่มบางวันก็ไม่อิ่มพวกเราที่ไม่เข้าหาพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์แต่กลับไปหาลาบยศสรรเสริญหาความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายนี้ก็เป็นเหมือนพวกไก่ที่ได้พลอยนี่อพอเจอพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ก็เขียเข่ยทิ้งเขี่ยทิ้งไม่เข้าวัดนไม่เข้า ไม่ศึกษาพระธรรมคาสอนไม่ฟังเทศฟังธรรมไม่ปฏิบัติธรรมกันเอาเวลาไปหาลาบยศสรรเสริญหาความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายกันเหมือนกับไก่ที่หาตัวหนอนตัวไส้เดือนหาตัวมแมลงมากินกันหาบางวันก็หาได้บางวันก็หาไม่ได้วันไหนหาไม่ได้ก็ต้องหิวก็ต้องทุกข์เนี่ย เมื่อไหนหาได้ก็อิ่มก็สุขเนี่ยพวกที่หาลาบยศสรรเสริญหาความสุขทางตาหูจมกูกลิ้นกายก็เหมือนกันเวลาที่หาได้ก็สุขกันเวลาที่หาไม่ได้ก็ทุกข์กันหรือเวลาที่ต้องสูญเสียลาบยศสรรเสริญสุขที่หามาได้ไปก็ทุกข์กันนี่คือ พวกเราพวกที่ไม่สนใจกับพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์จะเป็นเหมือนไก่ที่ได้พลอย <Yeah. S 1> ถ้าเป็นไก่ที่ฉลาด <Yeah. S 1> รู้คุณค่าของเพชรของพลอย <Yeah. S 1> ก็เอาเพชรเอาพลอยนั้นไปขาย <Yeah. S 1> แรกเป็นอาหาร <Yeah. S 1> มากินไว้จนวันตายก็ไม่หมด <Yeah. S 1> ถ้าพวกเราเห็นคุณค่าของพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ แล้วมุ่งมั่นมาศึกษาจากพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์แล้วปฏิบัติตามคำสอนของพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์อย่างเข้่งครดเนี่ยไม่นานเราก็จะได้พบกับบรมีสุขนิพพานังปรมังสุขขังเราจะได้หลุดพ้นจากกองทุกข์แห่งการเวียนว่ายตายเกิดกองทุกข์แห่งการเกิดแก่เจ็บตายกั น, เ, นเราจะไม่มีความทุกข์อยู่ในใจอีกต่อไป จะมีความสุขไปตลอดไม่มีวันสิ้นสุดตลอดอนันตการนี่นี่คือคนฉลาดจะทำอย่างนี้คนฉลาดจะเห็นคุณค่าของพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ที่เราเรียกว่าวินยวินยูชนนี่วินยูหิพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้านี่เหมาะสำหรับวินยูชนคือคนที่เห็นคุณค่าของพระพุทธ ของพระพุทธศาสนาเห็นคุณค่าของพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เห็นคุณค่าของการศึกษาจากพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เห็นคุณค่าของการปฏิบัติตามพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ว่าจะทําให้ได้พบกับของสิ่งที่มีคุณค่าล้าโลกสิ่งที่จะมีแต่ให้ความสุขแก่จิตใจไปตลอดไม่มีวันสิ้นสุด จะดับความทุกข์ต่างๆที่มีอยู่ภายในใจให้หมดไปได้อย่างสิ้นเชิงวิญญูชนเหล่านี้เขาก็จะสละการหาลาภยศสรรเสริญหารูปเสียงกลิ่นรสผพทพะแล้วมุ่งเข้าสู่การหาพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์กันโดยการศึกษาฟังเทศฟังธรรมอ่านหนังสือธรรมะกันเมื่ออ่านแล้วเมื่อรู้แล้วว่าจะต้องปฏิบัติอะไร ก็น้อมนำเอาไปปฏิบัติกันพอปฏิบัติกันแบบสุปฏิปันโนปฏิบัติดีปฏิบัติชอบก็บรรลุมรักผลนิพพานกันบรรลุมรักผลของพระโสดาบันบรรลุมรักผลของพระสกิทาคามีบรรลุมรักผลของพระอนาคามีบรรลุมรักผลของพระอรหันต์บรรลุถึงพระนิพพานกัน นี่คือคนเจลาตจะเลือกเอาพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ส่วนคนก็<ม>ก็จะเลือกเอาลาบยศสารเสริญเอารูปเสียงกลพพิ่นรสโผฏฐาปาที่มีทั้งสุขมีทั้งทุกข์สลับกันไปเวลาเจริญลาบยศสารเสริญ ส, สุขก็เกิดความสุขกันเวลาเสื่อมลาบยศสารเสริญ ส, สุขก็ทุกข์กักกนไม่ว่าจะเจริญหรือเสื่อมพอ เวลาตายไปลาบยศจารเสริญสุขที่หามาได้มากน้อยเพียงไรก็หมดไปไม่สามารถไม่สามารถเอาติดไปกับใจได้ใจนี้ไม่ได้ตายไปกับร่างกายใจนี้เป็นนายกายเป็นบา่าวมารวมกันในขณะที่เกิดปฏิสนธิตอนที่บิดามานดา ได้สร้างร่างกายขึ้นมาจิตที่เป็นจิตเล่ร่อนก็มายึดกับร่างกายอันนี้เป็นสมบัติ<ม>พอคลอดออกมาจากท้องแม่ก็ใช้ร่างกายอันนี้พาไปหาความสุขต่างๆหาความสุขที่เคยหาก็คือความสุขจากราบยศสรรเสริญจากรูปเสียงกลิ่นรสนั่นเองหาแล้วก็ต้องมาทุกข์กับการสูญเสีย กับการผิดหวังเวลาหาแล้วหาไม่ได้ก็ทุกข์เวลาหามาได้แล้วพอหมดก็ทุกข์อีกแล้วพอตายไปก็ต้องกลับมาหาใหม่อีกเพราะความอยากที่จะหาความสุขแบบนี้มันไม่ได้ตายไปกับร่างกายมันอยู่กับใจมันก็เลยพาให้ใจกลับมาเกิดอยู่เรื่อย พ อ, อกลับมาเกิดแล้วก็ต้องมาแก่มาเจ็บมาตายกันอยู่เรื่อยๆเพราะไม่รู้จักวิธีหาความสุขแบบพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์นั่นเองจะรู้ได้ก็ต่อเมื่อได้มาพบกับพระพุทธศาสนาซึ่งนานๆจะปรากฏขึ้นมาให้เป็นผู้นําทางให้แก่สัตว์โลกสักครั้งหนึ่งเป็นอาจารย์สั่งสอนให้แก่สัตว์โลกสักครั้งหนึ่งนานๆ ทุกร้อยล้านปีทุกร้อยล้านชาติอาจจะได้พบกับพระพุทธศาสนาสักครั้งหนึ่งถ้าได้มาพบนี้ต้องถือว่าเป็นโชคมหาศาลเป็นลาภมหาศาลมหาศาลยิ่งกว่าการถูกรัตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งร้อยครั้งพันครั้งเมื่อเรา <c oughs> ได้พบกับโชคกลาภอันมหาศาลนี้แล้วเราจะไม่ รีบตักตวงเอาประโยชน์สุขจากโชคลาภเหล่านี้เหลอเราจะปล่อยให้มันหลุดมือไปเลย อ, อันนี้เราต้องพิจารณาถามตัวเราเองว่าเรายังอยากจะกลับมาเวียนว่ายตายเกิดอยู่เรื่อยๆหรือเปล่าถ้าเรายังอยากจะหาความสุขจากลาบยศสรรเสริญจากรูปเสียงกลิ่นรสต่างๆอย่างที่เรากาลังหากันอยู่นี่มันเป็น การรับประกันว่าจะต้องกลับมาเกิดใหม่อย่างแน่นอนนะเพราะเวลาที่ร่างกายนี้ตายไปความอยากที่จะหาราบยศสรรเสริญสุขนี้มันไม่ได้ตายไปกับร่างกายมันยังมีอยู่ภายในใจมันเป็นตัวที่จะผลักดันให้ใจนี้กลับมาเกิดใหม่กลับมามีร่างกายอันใหม่กลับมาหาราบยศสรรเสริญสุขใหม่แล้วก็มาทุกขมาสุขกับ การหากับการสูญเสียลาบยศสารเสวนสุขลกลับมาทุกข์กับความแก่ความเจ็บความตายกลับมาทุกข์กับการพัดพากจากสิ่งที่เรารักบุคคลที่เรารักอย่างที่เรากําลังพบกันอยู่ในชาตินี้มันจะกลับมาเหมือนเดิมอีกจะเป็นเหมือนก๊อปปี้ก๊อปปี้กับเพสในในคอมพิวเตอร์ แล้วก็ปี้ชาตินี้ไว้เดี๋ยวชาติหน้าเราก็ไปปะไว้ในชาติหน้าต่อเหมือนเดิมเคยทําอย่างไรมาในชาตินี้ชาติหน้าก็จะทําอย่างนั้นต่อแล้วพอตายไปมันก็จะไปปะไว้ในชาติต่อไปเรื่อยๆปะมาเป็นแสนล้านชาติแล้วน้ําตาที่หลังจากแต่ละภพแต่ละชาตินี้ถ้าเอามารวมกันแล้วนี้ท่านบอกว่ามากยิ่งกว่าน้ําในมหาสมุทรเสียอี นี่คือความทุกข์ที่พวกเราจะต้องพบกันอย่างไม่มีวันสิ้นสุดถ้าเรายังเดินหาตัวหนอนตัวไส้เดือนตัวมแมลงกันอยู่ถ้าเราคอยถ้าเราพบ เ, เพชรพบพลอยแล้วเราเขียทิ้งเขียทิ้งอยู่เรื่อยๆทุกพบทุกชาติที่เราทุกครั้งที่เราได้มาพบกับพระพุทธศาสนาแล้วเราก็ไม่สนใจที่จะศึกษาอย่างเอาจริงเอาจัง ไม่สนใจไม่สนใจที่จะปฏิบัติอย่างเอาจริงเอาจังอาจจะศึกษาบ้างปฏิบัติบ้างพอหอมปากหอมค อ, อก็ยังจะไม่ได้รับประโยชน์จากพระพุทธศาสนาจะรับประโยชน์ได้ น, นี้จะต้องเอาจริงเอาจังเอาแบบพระอริยสงสาว ก, กันดูพระปฏิบัติดีปฏิบัติชอบครูบาอาจารย์ที่พวกเราเคารพนับถือกัน นับตั้งแต่นลวงองค์หลว ง, ลงปู่มั่นลงมาหลวงปู่มั่นหลวงปูแ่แหวนหลวงปู่ขาวเนหลวงปู่ฟัน้นท่านพอ่อลีหลวงตามหาบัวเป็นต้นท่านเหล่านี้ท่านเอาจริงเอาจังกับพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์นท่านเคยหาลาบยศสารเสริญสุขกันแต่พอได้พบกับพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ท่านเขี่ยลาบยศสารเสริญสุขทิ้งไปเลย แล้วท่านก็คว้าเอาพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์มาเป็นสมบัติทันทีท่านจึงได้บรรลุเป็นพระอาหารหันตสาวกกันตายไปกระดูกของท่านก็กลายเป็นประทาตกันเป็นเครื่องรับรองรับประกันความจริงว่าท่านได้หลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดได้แล้วท่นท่านได้ไปถึงพระนิพพานแล้วท่านเป็นผู้รับรองคําสอนของพระพุทธเจ้า รับรองการตัดสรู้ของพระพุทธเจ้าว่าเป็นจริงรับรองว่าพระพุทธเจ้านี้มีจริงรับรองว่าคำสอนของพระพุทธเจ้านี้มีจริงพวกเราจะลังเลสงสัยไปทำไมพวกเราจะไปยังไปหาตัวหนอนตัวไส้เดือนของราบยศสรรเสริญสุขกันทำไมทำไมเราไม่รีบเขียมันทิ้งไปรีบมาเอาราบ ลาบยศสรงเสริญของพระพุทธพระธรมธรมพระสงฆ์ดีกว่าพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ก็มีลาบยศสี่ขั้นคือขั้นสกิรดขั้นโสดาบันขั้นสกิดาคามีขั้นอนาคนามีขั้นอรหันต์ลาบยศของพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ดีกว่าเพราะจะทําให้เราหลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งหลายจะทําให้เราได้พบกับความสุขที่สูงสุดความสุขที่สุดยอด ของความสุขทั้งหลายเป็นความสุขที่ถาวรเป็นความสุขที่ไม่มีวันหมดไม่มีวันสิ้นอยู่ที่พระพุทธพระธรรมพระสงฆ์นี้เองอยู่ที่ศรัทธาในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์อยู่ที่การความเพียรที่จะพยายามศึกษาพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าอยู่ที่ความเพียรพยายามที่จะปฏิบัติตามคำสอนของพระพุทธเจ้า ทำไปจากน้อยไปหามากก่อนทำจากขั้นที่เราทำได้ไปก่อนอย่าไปทำมากกว่าที่เราทำได้เพราะจะทำไม่ได้แล้วจะผิดหวังจะท้อถอยทำในขั้นที่เราทำได้ก่อนท่านสอนให้เราทำทานเราก็ทำไปตามกำลังของเราสอนให้เรารักษาศีลเราก็รักษาศีลไปตามกำลังของเราก่อน ต่อให้ภาวนาเราก็ภาวนาไปตามกําลังของเราก่อนทําไปแล้วมันก็จะเพิ่มขึ้นไปได้เรื่อยๆเหมือนกับการเรียนหนังสือเราก็เริ่มต้นที่ชั้นอนุบาลพอเรียนแล้วเดี๋ยวเราก็ขึ้นชั้นป .1 ป .2 ได้เรียนต่อไปเดี๋ยวก็ขึ้นมัธยม1มัธยม2ได้เรียนต่อไปเดี๋ยวก็เข้ามาหาหลัยได้เรียนปี1ปี2ได้น ต้องมีการปฏิบัติอย่างต่อเนื่องต้องทํำด้วยความเพียรความพยายามอยากขี้เกียจอย่าท้อแท้อย่า ท, ทําทมากกว่าที่เราจะสามารถทําได้เพราะมันจะทําให้เราทอร้อแท้เบื่อหน่ายและจะไม่อยากทำํำแต่ถ้าเราทําตามกําลังที่เราทําได้เราจะมีความสุขจากผลที่เราได้รับจากการกระทํา แล้วจะทำให้เรามีกําลังที่อยากจะทำอยู่เรื่อยๆนี่คือการปฏิบัติเราต้องปฏิบัติหลังจากที่เราได้ศึกษาแล้วถ้าเราไม่ปฏิบัตินี้เรายังจะไม่มีการเคลื่อนไหวในทางด้านจิตใจการศึกษานี้ไม่สามารถทำให้เราก้าวหน้าทางจิตใจได้คือไม่สามารถกำจัดความทุกข์ต่างๆให้หายไปได้ ไม่สามารถสร้างความสุขที่แท้จริงให้เกิดขึ้นได้ผลนี้จะเกิดได้ก็เกิดจากการปฏิบัติแต่การจะปฏิบัติให้เกิดผลได้ก็ต้องศึกษาวิธีการปฏิบัติให้ถูกต้องก่อนเราจึงต้องมีครูอาจารย์ที่รู้จริงเห็นจริงเช่นพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ครูที่รู้จริงเห็นจริงรู้ทั้งเหตุรู้ทั้งผลรู้เหตุที่จะทาให้หลุดพ้นจากความทุกข์ว่าเป็นอย่างไร รู้ว่าผลที่หลุดผลคือการหลุดพ้นนั้น เ, เกิดขึ้นมาจากการปฏิบัติอย่างไหนต้องให้ผู้รู้จริงเห็นจริงนี่มาสั่งมาสอนถ้าเราไม่ศึกษาเราไปปฏิบัติเองเดี๋ยวเราก็หลงทางอย่างญาติโยมบางคนบอกว่านั่งสมาธิปับเห็นนู่นเห็นนี่ขึ้นมาเนี่ยสแสดงว่าไม่ได้ศึกษาวิธีการนั่งสมาธิที่ถูกต้อง ถ้านั่งสมาธิที่ถูกต้องนี้ไม่ให้เห็นอะไรให้เห็นแต่พุทโธพุทโธหรือเห็นลมหายใจเข้าออกไปใจถึงจะเข้าสู่ความสงบเข้าสู่อุเบกขาเข้าสู่นัตติสันติปรังสุขขังได้คือเข้าสู่ความสุขที่เหนือกว่าความสุขทั้งปวงได้แต่ถ้านั่งแล้วก็ปล่อยให้ใจผลิตอะไรต่างๆขึ้นมาเห็นนรกเห็นสวรรค์เห็นเปรตเห็นผี น, นี่เรียกว่านั่งแบบไม่มีสตินั่งแบบนี้แหละที่เขาเรียกว่าเป็นบ้ากันอพอเห็นอะไรก็หลงตามเชื่อหรือบางทีก็หวาดกลัวจนไม่กล้านั่งต่อไปอหลงคิดว่าตนเองเป็นนั่นเป็นนี่ไปเป็นสิ่งที่ตนเห็นเป็นนูน่นเป็นนี่ขึ้นมานี่คือลักษณะของการที่ไม่ได้มีครูบาอาจารย์ที่รู้จริงเห็นจริงมาสั่งมาสอน ไม่ได้ศึกษาจากพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าที่ได้มีบันทึกไว้ในพระไตรปิฎกนั่งไปตามความรู้สึกนึกคิดของตนก็เลยทำให้เกิดความเสื่อมเสียได้ในวงการปฏิบัติที่เขาถามอยู่เรื่อยว่านั่งสมาธิแล้วเป็นบ้าได้ไหมถ้านั่งแบบนี้รับรองไ ด, ได้เป็นบ้าแน่ๆถ้านั่งแบบไม่เป็นบ้านี้ต้องนั่งแบบมีสติกำกับใจ ต้องมีพุทธโธพุทธโธคอยกำกับใจหรือมีการดูลมหายใจเข้าออกกำกับใจหรือดูยุบหนอพองหนอกำกับใจไว้แล้วใจมันจะไม่ผลดิดของต่างๆมาหลอกเราให้เราเป็นบ้ากันนี่คือความสำคัญของการศึกษาเราต้องศึกษาจากผู้รู้ผู้เห็นจากพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ นี่แหละคือหน้าที่ของพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ก็คือสั่งสอนพวกเรานตอนนี้ไม่มีพระพุทธเจ้าแต่มีตัวแทนของพระพุทธเจ้าคือพระธรรมคำสอนและพระอริยสงฆ์สาวกขอให้เราเข้าหาพระธรรมคำสอนไปค้นคว้าอ่านดูในพระไตรปิฎกได้เข้าไปใน Google กดพระไตรปิฎกก็จะขึ้นมาอยากจะศึกษาพระสูตรอันไหนก็ ใส่ชื่อพระสูตรเข้าไปแล้วก็จะโผล่ขึ้นมาให้เราได้ศึกษาได้อ่านกันเพื่อเราจะได้รู้วิธีการปฏิบัติที่อย่างถูกต้องเช่นขั้นต้นก็ลองใส่มงคลลสูตรไปมงคลสามสิบแปดเราจะได้รู้ว่าพระพุทธเจ้าสอนอะไรเนี่ยท่านสอนตั้งแต่ขั้นอนุบาลเลยมงคลสามสิบแปดจนถึงขั้นปริญญาเอกอยู่ในมงคลสามสิบแปดข้อนี้ เริ่มตั้งแต่ข้อที่หนึ่งข้ออนุบาลคืออเซวนาจะบาลานังบันดิตานันจเสวนาปูชาจะปูชนียานังเอตัมมังกัลลุมตัมังแปลว่าการไม่คบคนพ่านหนึ่งการครบบัณฑิตหนึ่งการบูชาบุคคลที่สมควรแก่การบูชาหนึ่งเป็นมงคลอย่างยิ่งเนี่ยตอเราอยากจะมีความเป็นสิริมงคลแก่ชีวิตให้อ่าน มงคลระสุดมงคลสามสิบแปดแล้วถ้าเราปฏิบัติตามได้เราจะได้รับมงคลระดับต่างๆขึ้นไปจากระดับต่ําขึ้นไปจนถึงระดับสูงสุดคือพระนิพพานเลยอยู่ในมงคลสามสิบแปดนี้เองพวกเราชาวพุทธเคยอ่านกันบ้างหรือเปล่าเกิดมาเป็นชาวพุทธเนี่ยถ้าไม่อ่านก็สแสดงว่าเราไม่ได้เข้าหาพระธรรมเลยไม่ได้เข้าหาพระธรรมคําสอนกันเลย เราต้องเข้าหาพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์อาหาคำสอนของท่านเพราะเป็นคำสอนที่แท้จริงคำสอนที่ไม่ผิดเพี้ยนคำสอนที่จะยังผลให้แก่ผู้ปฏิบัติได้อย่างแน่นอนขอให้เราเข้าหาพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์กันศึกษากันเนี่ยลองศึกษามงคลสามสิบปดข้อดูแล้วลองไล่ไปดูซิว่าทำได้กี่ข้อไม่ครบคนพานคนพานแปลว่าคนโง่ คนที่ไม่รู้บาปบุญคุณโทษไม่รู้นรกสวรรค์ไม่รู้การเวียนว่ายตายเกิดไม่รู้การหลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดไม่รู้มรรคผลนิพพานนี้เราเรียกว่าคนโง่ถ้าพบกับคนเหล่า น, นี้เขาบอกไอ้ของพวกนี้ไม่มีหรอกเป็นของงมงายเนี่ยสแสดงว่าเขางโง่แล้วถ้าเขาพูดอย่างนี้ก็อย่าไปคบกับเขาให้คบกับคนที่บอกบาปมีจริงบุญมีจริงนรกมีจริงสวรรค์มีจริง ตายแล้วต้องไปเกิดใหม่อถ้าปฏิบัติธรรมตัดกิเลสได้ก็ไม่ต้องกลับมาเกิดใหม่อันนี้แหละบัณฑิตถ้าไปพบกับคนที่พูดอย่างนี้เรียกว่าบัณฑิตถ้าไปพบกับคนว่าของพวกนี้งมงายบาปบุญนรกสวรรค์นี้เป็นเรื่องงมงายนักวิทยาศาสตร์พิสูจน์กันแล้วไม่มีส่งญานวากาศขึ้นไปบนฟ้าไม่มีสวรรค์ส่สง เจาะน้ำมันเจาะอะไรลงไปในดินก็มีแต่น้ำมันไม่มีนรกอยู่ภายใต้ดินอันนี้คือคนโง่คนพานแปลว่าคนโง่คนไม่รู้ความจริงของจิตใจรู้แต่ความจริงของร่างกายรู้เพียงครึ่งเดียวอีกครึ่งหนึ่งคือจิตใจนี้ไม่รู้เพราะมองไม่เห็นจิตใจเป็นของละเอียดเป็นเป็นของที่ไม่สามารถมองเห็นได้ด้วยตาเนื้อ จะต้องมองด้วยตาในคือตาทิพย์คือตาใจจะเห็นได้ก็ต้องเปิดตาใจวิธีที่จะเปิดตาใจก็ต้องนั่งสมาธิทําใจให้สงบนั่นเองนี่แหละคือมงคลสามสิบแปดลองศึกษาดูแล้วดูว่าเราปฏิบัติได้กี่ข้อ <c oughs> แล้วรับรองได้ว่าถ้าปฏิบัติตามได้ทุกข้อเราจะไปถึงพระนิพพานอย่างแน่นอน เราจะหลุดพ้นจากความทุกข์ได้อย่างแน่นอนดังนั้นขอให้เราเข้าหาพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เพื่อศึกษาเมื่อศึกษาแล้วเราก็ปฏิบัติถ้าเรามีสงสัยอะไรเราก็กลับมาหาพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ถ้าเราไม่มั่นใจไม่แน่ใจตรงไหนก็กลับมาศึกษาต่อเพื่อให้เกิดความกระจ่างแล้วเราก็ปฏิบัติต่อ ทำอย่างนี้ไปแล้วรับรองได้ว่าจะต้องได้ผลที่พระพุทธเจ้าและพระอริยสงสาวุทั้งหลายได้ผลกันอย่างแน่นอนก็คือได้มรรคผลนิพพานได้หลุดพ้นจากความทุกข์ของการเกิดแก่เจ็บตายของการเวียนว่ายตายเกิดได้ไปถึงพระนิพพานที่มีแต่บรลมมสุขอย่างแน่นอนนี่คือประโยชน์สุขที่เราจะได้รับจากการที่เราได้มาพบกับพระพุทธศาสนา ได้พบกับพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ได้พบกับพระพุทธรัตตนะพระธรรมรัตตนะพระสังฆัตตนะขอให้พวกเราอย่าปล่อยของที่มีคุณค่าเหล่านี้หลุดจากมือเราไปเลยรีบคว้าเอามาครอบความเป็นสมบัติของพวกเราเถิดด้วยการศึกษาด้วยการปฏิบัติอย่างจริ ง, ง, จ, รงจังกันเถิดแล้วรับรองได้ว่าพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์นี้จะเป็นสมบัติอันล้ำค่าของพวกเรา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 อิชิตังปฏติธิตังตุมหังคิปะเมวะสมิจจตุสัเพปเรนตุสังกะปาจันโทปนาระโสยถามณิโชติระโสยถาสัพพิตโยวิวาจันตุสัพโรโควินัสตุมาเตปวัตวันตารโยสุขีทีคายุโกภะ อพิวาทนสีิตสะนิจังวุธาปจายโนจตารโรธรมมวัทานติอายุวนโนสุขังภาลังขออภัยเสียงหน่อยตอนนี้หวัดลงคอมันไม่ลงจมูกมันมาลงคอมันก็เลยทำให้ต้องไอ ต่อไปนี้ก็เป็นช่วงถามตอบปัญหาธรรมท่านที่มีคำถามขอเชิญถามได้ในช่วงนี้เลยถามไปได้จนถึงเวลาที่เราเลิกประชุมแต่หลังจากเลิกประชุมแล้วขออย่าถามถ้าจะถามถามตอนนี้เห็นว่ามีผู้ที่ต้องการจะถามเตรียมไมโครโฟนอยูนะอ่เชิญถามได้เลยนามส ก, การค่ะหลวงพ่อเรื่องก็มีอยู่เมื่อต้นอาทิตย์นี่เจ้าค่ะ คือมีป้าคนหนึ่งคือเขาเก่าหาแล้วก็หนูอธิบายแต่หนูก็อธิบายด้วยท้อยคำที่นิ่มนวลแต่เจ็บปวดซึ่งทำให้ป้าแกรู้สึกตอบหนูมาว่าเอ๊ะอย่าพูดจาแบบนี้นะป้าไม่ชอบหนูก็กลับบ้านด้วยความทุกข์ใจสองวันกับคำพูดที่พูดไปแล้วแล้วหนูก็ไม่รู้จะทำยังไงเฟสไลน์หนูจะมาถามพาอจานหนูก็ไม่มี หนูก็เลยโทรไปถามแม่ชีหนิ่งแล้วเจ้าค่ะแม่ชีหนิ่งก็อธิบายว่าให้ไปขอโทษป้าแกซะหนูก็ทําตามที่แม่ชีกันสอนนะเจ้าค่ะ hmm. แล้วแต่ก่อนที่หนูจะไปขอโทษแกหนูพยายามพูดโทรก่อนประมาณครึ่งวันได้ก็เหมือนไม่รู้ว่าแกจะยกโทษหรือเปล่าก็พอไปขอโทษแกแล้วแกก็เบี่ยงบ่ายแกก็จะพยายามพูดเยอะๆยอๆแต่เสียงที่แกพูดน่ะหนูได้ยินทุกอย่างแต่ใจหนูจําไม่ได้เจ้าค่ะ แล้วหนูว่ากลับบ้านไปแต่คงรู้ว่าขอโทษแล้วนะเจ้าค่ะแต่หนูอยากจะให้พระอาจารย์ช่วยช่วยช่วยช่วยสอนหนูอีกทีว่าถ้าเกิดเหตุการณ์อย่างนี้เกิดขึ้นเนี่ยหนูจะควรจะทํำยังไงเจ้าค่ะก็ก่อนจะพูดก็ควรมีสติรู้ว่าเรากําลังจะพูดอะไรมีเจตนาแบบไหนบางทีเรามีเจตนาที่จะไปทิ่มแทงเขาหรือเปล่าถ้าเรามีสติรู้ทันก็ต้องเปลี่ยนใจบอกเออพูดอย่างนี้ไม่ดีนะ อย่าพูดดีกว่าถ้าเรามีเจตนาที่จะทำให้เขาเจ็บช้ำน้ำใจแต่ถ้าเราพูดตามความจริงด้วยความเจตนาที่บริสุทธิ์พูดตามเนื้อผ้าไม่มีเจตนาที่จะไปทำให้ทิมแทงใจเขาแต่ถ้าเกิดไปทิมแทงใจเขาก็ช่วยไม่ได้เพราะธรรมะมันต้องทิมกิเลสอยู่แล้วใช่ไหมเนี่ฟังธรรมวันนี้คนที่ฟังบางคนอาจจะถูกทิมแทงใจตรงไหนสักแห่งก็ได้ แต่นี่พูดโดยที่ไม่ได้มีเจตนาที่จะไปทำให้คนฟังนี่เจ็บช้าน้ำใจหรืออะไรสะแสดงทมไปตามความเป็นจริงแต่ถ้าเขารับไม่ได้ก็ช่วยไม่ได้เขาจะโกรธก็ช่วยไม่ได้เพราะเราไม่มีเจตนาที่จะทำให้เขาเจ็บช้าน้าใจเรามีความปรารถนาดีต่อเขาอยากจะให้เขามีดวงตาเห็นธรรมเราก็พูดตามความความเป็นจริงของธรรมไปแต่ ถ้าพูดกับคนสองต่อสอง น, นี่เราอากอา จ, จะต้องชั่งน้ำหนักดูว่าคนจะพูดมากหรือพูดน้อยอพูดหนักหรือพูดเบาเพราะทำความจริงมันก็มีหลายระดับดเราก็ต้องถ้าเรารู้จักนิสัยใจขอเขารู้ว่าเขารับได้หรือรับไม่ได้ถ้ารู้ว่าเขารับไม่ได้ก็อย่าไปพูดหรือพูดเลี่ยงไปจะดีกว่าเพราะว่าถึงแม้จะเป็นความจริงแต่ พูดแล้วทาให้เขาเสียใจหรือโกรธนี่มันก็แทนที่จะเกิดประโยชน์ก็เกิดโทษกับเขากับเราเราก็ต้องคํานึงถึงผลกระทบที่จะเกิดจากการพูดของเราอย่างนี้ต้องมีสติต้องมีปัญญาต้องหัดคิดก่อนแต่ถ้าเมื่อเราพูดไปแล้วถ้าเรามีเจตนาไม่ดีกับเขาเราก็ไปขอขอเข้ามาเขาก็ดีแต่ถ้าเขาจะให้อภัยหรือไม่นะั้นเราไม่ต้องไปกังวลเพราะเราทําหน้าที่ของเราแล้ว เรารับผิดแล้วว่าเรามีเจตนาไม่ดีต้องการที่จะไปทิมแทงใจเขาแต่ถ้าเราไม่มีเจตนาแล้วเขาเจ็บใจขึ้นมาเองเราก็อาจจะขอโทษได้แต่เราก็อาจจะขอโทษในลักษณะว่าเรามันโง่ไม่รู้จักความหนักเบาของการพูดว่าจะควรจะพูดหนักหรือเบาเท่าไหร่นแต่เราไม่มีเจตนาร้ายต่อเขาเ อ, อ่อวันนั้นหนูก็กล่าวบอกว่าคุณป้าคะเมื่อเหตุการณ์ที่ผ่านมาสามวัน หนูขอโทษถ้าหนูพูดอะไรไปแล้วคุณป้าอาจจะไม่ชอบอหนูก็ได้กล่าวตรงนี้ด้วยนะเช่าค่ะเพราะอธิบาย ใ, ให้เขาเข้าใจเหมือนกังแต่หนูก็ไม่ได้หลังจากนั้นหนูก็จบก็ต้องให้เขาเวลามีเวลาทําใจบ้างบางทีของบางอย่างมันก็ทําใจยากเอแต่เราทําหน้าที่ของเราแล้วส่วนเขาจะโกรธเราต่อไปหรือไม่ก็เรื่องแต่เรื่องของเขาเราห้ามเขาไม่ได้ อ, อวันนี้ทาง f เฟซบุ๊กเข้ามาเท่าไหร่ ห้สิบคนครับรูทูปเข้ามาเจ็ดสิบคนครับอ่าวันนี่มีพิธีกรเสียงดีเสียงใสอถามคำถามให้คำถามจากทางอินบ็อกจากคุณโตมอนถือศีลแปดเวลาใกล้จะตายตั้งจิตขอไปนิพพานได้ไหมครับอ๋อขอไม่ได้หรอกมันต้องไปด้วยเหตุ คือถ้ามีศีลสมาธิปัญญาครบร้อยก็ไปได้ถ้ามีแค่ศีลแปดอย่างเดียวขอไงก็ไปไม่ถึงคำถามจากทาง y o u t u ู e จากคุณประิสาคำว่าพระราหูทางพระพุทธศาสนาของเรามีจริงหรือไม่คะราหูกับราหุลมันคนละอย่างมันนะราหุล น, นี่มีจริงคือเป็นชื่อของลูกของพระพุทธเจ้า <c oughs> ที่พระเจ้าทรงตั้งให้ แต่ว่าบวงไม่ได้ทรงตั้งหรอกเพียงแต่ว่าอุทานออกมาพอได้ข่าวว่าพระมหเหสีได้คลอดลูกก็เลยบอกบวงก็เลยพูดลาหุนเขาก็เลยคิดว่าท่านตั้งชื่อลูก <c oughs> เขาก็เลยไปตั้งชื่อลูกท่านส่วนราหูนี่มันเป็นเรื่องของสายศาสตร์หรือเปล่าเรื่องของดาราศาสตร์หรืออะไราศาสตร์ก็ไม่รู้ที่เขาตั้งกันขึ้นมาตั้งอย่างพระจันท ร, ร์นี่เราก็ตั้งชื่อมันด้วยตัวพระจันทร์เองมันไม่รู้ว่ามันเป็นพระจรันทร์หรอก อาทิตย์มันก็ไม่รู้มันเป็นพระอาทิตย์เราไปตั้งชื่อให้มันต้นไม้มันก็ไม่รู้ว่าเป็นต้นมะม่วงไปถามมันเป็นมะม่วงหรือเปล่ามันก็ตอบไม่ได้เราไปตั้งชื่อให้เขาเองนะงั้นชื่อต่างๆเหล่านี้เป็นการตั้งไว้เพื่อเราจะได้รู้ว่าเราพูดถึงเรื่องอะไรพูดถึงใครอย่างร่างกายพวกเรานี้ถ้าไม่ตั้งชื่อกันก็มันก็อาการ312ทั้งหมดไอ้คนนั้นก็312คนนี้ก็312ก็เลยต้องตั้งชื่อกัน แต่ชื่อไม่ได้เป็นตัวร่างกายเข้าใจไหมฉะนะนั้นเขาตั้งชื่อราหูแล้วก็ตั้งไปตั้งคุณสมบัติว่าเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้ก็เป็นเรื่องที่เขาตั้งกันขึ้นมาสมมุติขึ้นมาอันนี้แหละที่เราเรียกว่าไม่เป็นความจริงไม่ตรงกับความเป็นจริงแล้วที่เขาพูดกันว่าถ้าลาหูย้ายเข้าเดือนเกิดของใครคนคนนั้นจะมีความทุกข์ก็เกิดขึ้นได้จริงหรือไม่คะก็นั่นแหละก็เขาสมมุติกันไป ไอ้ที่จริงก็คือไม่ฟังพระพุทธเจ้าบอกที่ทุกข์กันก็เพราะความอยากไม่เชื่อไปเชื่อลาหูถ้าเข้าเดือนนั้นเข้าเดือนนี้เราจะต้องทุกข์กันลองไปเข้ า, ากับพระอรหันต์ดูดิโดยฉันจะทุกข์กัเปล่าคำถามจากทางเฟซบุ๊กไลฟ์นะคะจากคุณโยมโจ้ผมสังเกตว่าตัวเองทำอะไรซึ่งผมเคยฝันไปแล้วอาการแบบนี้เกิดจากอะไรครับ ก็การกระทําต่างๆนี้เป็นเหมือนการถ่ายวีดีโอไว้เวลาเราทําอะไรนี่เราถ่ายเทะเราเราบันทึกไว้หมดเลยพอเวลานอนหลับเราก็ฝันแล้วก็เอามาใช้ใหม่พฤติกรรมกรรมต่างๆการกระทําต่างๆที่เราเคยทําตอนที่เราเตือนเนี่ยเวลานอนหลับเราก็เอามาใช้ใหม่คาถามจากคุณทำใจในทางโลกจะใช้หลักธรรมข้อไหนให้มีความทุกข์น้อยที่สุดคะ สติไงใช้พุทโธนะมีดีที่สุดกับพุทโธพุทโธไปท่องคําว่าพุทโธพุทโธไปเรื่อยๆเวลาโกรธก็พุทโธไปเวลาโลภก็พุทโธไปเวลาเสียใจก็พุทโธพุทโธไปเราจะไม่ต้องไปขอคำมาใครด้วยถ้าพุทโธพุทโธไปไม่ทุกสย่งใครจะโกรธจะเกลียดก็เรื่องของเขาคําถามจากคุณลินนชยาดูจิตถ้ารู้จิต จิตมันวิ่งไปมาถ้าเรารู้จิตที่กำลังวิ่งไปสิ่งนี้เรียกว่ากรรมฐานไหมคะไม่หรอกเขาเรียกว่ากำลังหลงก่อนที่จะดูจิตได้เราจะต้องมีเครื่องมือจับมันให้ได้ก่อนเพราะจิตมันเป็นเหมือนลิงไปดูลิงเฉยเฉยมันมีประโยชน์อะไรดูลิงมันก็วิ่งไปวิ่งมาทำร้ายข้าวของเราก็ตามมันไม่ทันเราต้องมีเชือกมีเครื่องมือมีมีดอก ลูกดอกที่เสียบที่ใสายาสลบไว้พอมันสนก็ฉีก็ก็เป๋าลูกดอกใส่มันเลยมันจะได้หยุดจิตเราถ้าเราดูโดยที่ไม่มีเครื่องมือคือไม่มีสติก็อย่าไปดูดูแลเดี๋ยวถ้าหยุดนั้นไม่ได้ก็ดูไปก็เปล่าประโยชน์ดูแล้วต้องหยุดให้ได้ยิ่งมีปัญญาได้ยิ่งดีใหญ่สองนี่คือเครื่องมือที่เราจะต้องมีกัน เราถึงจะดูจิตนะทำให้จิตนี่มันสงบไม่ให้วุ่นวายไม่สร้างความทุกข์สร้างปัญหาต่างๆขึ้นมาได้แต่ถ้าไม่มีเครื่องมา้าเครื่องดูไปก็เท่านั้นแหละดูไปแล้วเดี๋ยวก็ถูกถูกมันหลอกซะอีกคำถามจากคุณสุนีจิตไม่สงบเลยคะ่ะชอบคิดอะไรไปอยู่ตลอดเวลานั่งสมาธิก็ไม่ค่อยได้แบบนี้เขาเรียกว่าจิตฟุ้งซ่านใช่ไหมคะ แล้วจะทำอย่างไรถึงจะสงบได้คะก็ต้องมีสติก็ต้องสร้างสติขึ้นมาเหมือนรถที่ที่วิ่งแล้วหยุดไม่ได้ก็แสดงว่าไม่มีเบรกหรือเบรกเสียก็ต้องไปซ่อมไปไปทำเบรกให้ดีตัวที่จะมาเบรกจิตของเราไม่ให้ฟุ้งซ่านก็คือสติถ้าเราไม่ไม่สามารถทำให้ใจไม่ฟุ้งซ่านได้ก็แสดงว่าเราไม่มีสติ เราก็ต้องหมั่นสร้างสติขึ้นมาวิธีสร้างสติก็คือให้เราบริกรรมพุทโธพุทโธไปเรื่อยๆอย่าปล่อยให้มันไปคิดเรื่องราวต่างๆคำถามจากคุณสู้ไม่ถอยกระผมรับศีลแปดมาตั้งใจว่าช่วงเข้าปรรษานี้จะปฏิบัติให้ได้แต่บางข้อก็มีผิดบ้างเช่นข้อสองข้อหกข้อเจ็ดอยากทราบว่ากระผมจะตกนรกไหมครับแต่ความตั้งใจก็ ก็ตามจะรักษาจิตตลอดแต่ก็มีเผลอบ้างเพราะเป็นคนจิตหยาบครับก็นรกมันจะเกิดต่อเมื่อเราทำบาปด้วยความโกรธเกลียดเครียดแค้นอางฆาาพยาบาทเถ้าทำบาปด้วยเหตุผลอื่นก็ไม่ไม่ตกนรกทำด้วยความโลภ ก, ก็ไปเป็นเปรตทำได้ความกลัวก็ไปเป็นผีทำด้วยความหลงก็ไปเป็นเดรัจฉานคําทําจากคุณสุเมศ การจะแยกรูปนามควรจะทำอย่างไรครับขั้นตอนก็ต้องฝึกสติก่อนให้มีสติเพื่อที่เราจะได้หยุดจิตทำจิตให้สงบพอจิตสงบจิตก็จะแยกออกจากร่างกายชั่วขาวพอออกจากสมาธิมาจิตก็กลับมารวมกับร่างกายก็ใช้ปัญญาคอยเตือนคอยสอนใจว่าจิตกับร่างกายเป็นคนละคนกันจิตเป็นนายกายเป็นบ่าว จิตไม่ถาวรร่างกายไม่ถาวรเดี๋ยวร่างกายก็ต้องแก่เจ็บตายไปจิตไม่ได้ตายไปกับร่างกายนั้นจิตต้องปล่อยวางร่างกายถ้าจิตอยากจะไม่ทุกข์กับมันนี่คือการแยกตามขั้นตอนขั้นตอนแรกต้องสร้างเครื่องมือแยกก่อนเครื่องมือที่จะแยกก็คือสติพุทโธพุทโธไปเวลานั่งเฉยๆก็ดูลมหายใจไปพอเรืองนั่งไปพุทโธไปก็ได้ แล้วถ้าไม่ไปคิดอะไรเดี๋ยวจิตก็สงบพอจิตสงบจิตก็จะแยกออกจากร่างกายชั่วคราวร่างกายก็หายไปจากความรู้สึกเหลือแต่จิตโดนโวนเหลือแต่ผู้รู้สักแต่ว่ารู้ <c oughs> เราก็จะรู้ว่านี่คือจิตนี่คือตัวรู้ไม่ได้เป็นตัวร่างกาย <c oughs> แต่พอจิตถอนออกมาจิตก็กลับมารวมกับร่างกาย <c oughs> ก็ต้องคอยตอนคอยคอยแยกใจออกจากร่างกาย ด้วยการพิจารณาร่างกายว่าไม่เที่ยงเป็นทุกข์ร่างกายต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายห้ามมันไม่ได้สักวันหนึ่งมันต้องแยกออกจากออกจากใจไปอย่างถาวรถ้าถ้าไปหลงคิดว่าเป็นเป็นเราเป็นของเราก็จะทุกข์ถ้ารู้ว่ามันไม่ได้เป็นเราเป็นของเราไม่ได้เป็นใจเราก็จะไม่ทุกข์คำถามจากคุณสนนิทีสีแจ้ การเดินจงกรมกำกับโดยพุโทโธโดยการก้าวเท้ากำกับด้วยพุโทโธการเดินจะทำให้เจริญยิ่งยิ่งขึ้นต้องพิจารณาอะไรเพิ่มเติมหรือให้พิจารณาร่างกายสังขารเป็นของไม่เที่ยงขอให้พระอาจารย์แนะนำด้วยครับเดินจงกรมก็มีสอ ง, สองเวสองลักษณะเดินเพื่อสติหรือเดินเพื่อปัญญา ถ้าเดินเพื่อสติก็ไม่พิจารณาอะไรให้มีสติอยู่กับพุทโธพุทโธไปถ้าเดินเพื่อปัญญาก็ต้องพิจ า, ารณาไตรลักษณ์ของร่างกายพิจารณาว่าร่างกายไม่เที่ยงเกิดแล้วต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายพิจารณาว่าร่างกายเป็นอนัตตาท ร, รมาจากดินน้ำลมไฟมีอาการสามสิบสองผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกร่างกายไม่สวยไม่งาม เวลาแก่เวลาตายนี้ไม่มีใครอยากได้เวลาผ่าผ่าท้องออกมาผ่าหน้าอกออกมาเห็นตับไตไส้พุงก็ไม่มีใครอยากจะได้ให้เห็นส่วนต่างๆของร่างกายอันนี้เรียกว่าปัญญาอันนี้ต้องพิจารณาเวลาเดินจงกรมก็พิจารณาเรื่องราวเหล่านี้ไปก็จะได้ปัญญาแต่จะเป็นปัญญาที่ฆ่ากิเลสได้หรือไม่ก็ต้องดูตอนที่กิเลสโผล่ขึ้นมาถ้ากิเลสโผล่ขึ้นมายังทุกข์อยู่ก็แสดงว่า ยังฆ่ามันไม่ได้เพราะว่าเผลอลืมไปแล้วที่พิจารณามาว่าต้องตายเพอเจอความตายตกใจนี่แสดงว่าลืมไปละปัญญาหายไปละแต่ถ้าเจอความตายแล้วไม่กลัวตายนี่แสดงว่าปัญญาไม่หายปัญญาอยู่รู้ว่าร่างกายต้องตายปล่อยให้มันตายไปไม่กลัวรู้ว่ามันไม่ใช่ตัวเราของเราอันนี้ต้องไปพิสูจน์อีกทีหนึ่งขั้นต้นก็ต้องเตรียม ปัญญาไว้ก่อนฝึกสอนไว้ก่อนไม่ให้ลืมไม่ให้ลืมว่าร่างกายต้องตายไม่ให้ลืมว่าร่างกายไม่ใช่ตัวเราของเราเมื่อเรามั่นใจว่าเราไม่ลืมแล้วเราก็พาม ไ, ไปหาความตายดู<อ>ดูซิว่ามันเวลาเจอภัยอันตรายต่างๆแล้วมันจะกลัวหรือไม่กลัวถ้ามันไม่กลัวแสดงว่ามันปัญญามันไม่ลืมปัญญามันมันรักษาใจมันปล่อยวางร่างกายได้ถ้ามันกลัวแสดงว่าปัญญาหายไปแล้ว กิเลสเข้ามาแล้วอุปทานความหนงเข้ามาคิดว่าเป็นตัวเราของเรานะคำถามจากคุณนบพดลถ้าถือศีลแปดไม่ครบจะมีสมาธิได้หรือเปล่าครับออไม่เกี่ยวกันศีลแปดครบแล้วไม่ครบมันก็จะมีสมาธิไม่มีมันไม่ดีที่ศีลแปดศีลแปดเพียงแต่ว่าจะทำให้เรามีเวลามาปฏิบัติสมาธิกัน ถ้าเราไม่ถือศีลแปดเราก็ไปกินล้วก็ไปกินไปดื่มอาหารเย็นกันได้ไปไปเที่ยวกันไปดูหนังฟังเพลงกันได้ถ้าเราไปทำอย่างนี้เราก็จะไม่มีเวลามาเจริญสติเพื่อทำใจให้สงบจะมีสมาธิได้ต้องมีสติจะมีสติได้ก็ต้องมีเวลามาเจริญสติจะมีเวลาได้ก็ต้องรักษาศีลแปดเนี่ยหน้าที่ของศีลแปดก็คือให้เรามีเวลามาเจริญสติแต่ถ้าเราไม่เจริญสติ เราก็จะไม่ได้นั่งสมาธิใจก็ไม่สงบรักษาสิ้นแปดแล้วก็นั่งคิดไปทั้งวันทั้งคืนคิดห่วงลูกห่วงเมียห่วงสามีห่วงภรรยาเวลานั่งมันก็ไม่สงบอันนี้ไม่ไม่เชิงเป็นคำถามค่ะแต่ขอกำลังใจจากคุณวัดพรสุขกำลังฝึกสมาธิและสติอยู่ทุกวันกลัวจะทำได้ไม่นานแล้วเลิกขอกำลังใจจากพระอาจารย์ด้วยครับ อ๋อแต่อย่าไปคิดถึงอนาคตอ่ะเอาปัจจุบันเนี่ยทามันไปทุกวันมันไม่มันจะไม่มีวันเลิกไปคิดมันทำไมมันเสียเวลาเปล่าเปล่าอนาคตยังมาไม่ถึงเอาปัจจุบันเนี่ยทำหน้าที่ของเราให้เต็มที่ในปัจจุบันแล้วรับรองได้ว่าอนาคตมันจะไม่มีวันเลิกแต่ถ้ามานั่งคิดกังวลอย่างนี้รับรองได้เลิกแน่แน่เพราะมันไม่ได้ทำก็ได้ไมมานั่งแต่กังวล อย่าไปกังวลให้ทําให้เจริญสติให้นั่งสมาธิไปบ่อยๆมากๆอย่ามานั่งกังวลถึงอนาคตว่าจะได้ทําหรือไม่ได้ทำํำพอมันกังวลอย่างนี้ปัจจุบันมันเลยไม่ได้ทําอะไรพอไม่ได้ทําอะไรมันก็ไม่มีกําลังที่จะทํามันก็เลิกทำแล้วตอนนี้คําถามหมดค่ะหลวงพ่อเอดีพักก่อนพักสักประเดี๋ยวมีผู้ฝากถามนะคะ จริงๆมีแต่ความทุกข์แต่ทำไมมานถึงหลอกให้สัตว์คิดว่าเป็นสุขเราจริงเวียนไหวตายเกิดเกิดมาชาติใหม่ก็ลืมความทุกข์แล้วก็มาตามหาความโลภความโกรธความหลงเหมือนเดิมการหลอกแบบนี้เป็นสิ่งที่ใครจังชั่นค่ะกำหนด ก, ก็โมหะไงอวิชชาความมืดบอดความหลง แล้วกคนที่ไม่ศึกษาหาความรู้มันก็ไม่รู้คนสมัยโบราณเขาก็คิดว่าโลกนี้แบนถ้าไม่มีการศึกษาไม่มีการสอนตอนนี้ก็ยังเชื่อว่าโลกนี้แบนอยู่แต่ตอนนี้มีการศึกษามีการสอนมีการพิสูจน์แล้วว่าโลกนี้ไม่แบนอย่างนี้ไม่มีใครคิดว่าโลกนี้แบนกันใช่ยหมเพราะมันมีการศึกษาถ้าไม่ศึกษามันก็โงออ่เหมือนเดิมถ้าไม่มีพระพุทธศา ส, าสนามาสอนมันก็โง่ มันก็ไม่รู้ว่าความทุกข์เกิดจากความโลภความโกรธความหลงนี่เองเนียมันก็จะโลภมันก็จะโกรธหลงไปเพราะเวลาเราโลภตอนแรกมันได้ความสุขกันไงโลภอยากได้อะไรก็ได้มาก็สุขกันแต่พอมันเสียไปก็มาทุกข์กันในภายหลังตอนนี้มันไม่รู้มันไม่มองว่าของที่เราได้มามันไม่เที่ยงมันเป็นของชั่วคราวเวลาหมดไปมันก็จะกลายเป็นความทุกข์ขึ้นมาอื ถ้าศึกษาไว้ล่วงหน้าก่อนรู้ว่าได้มาแล้วเดี๋ยวต้องเสียไปวุ่ไม่เอาดีกว่าใช่ไหมได้แฟนมาแล้วเดี๋ยวเขาไปทิ้งเราไปมีเมียใหม่เราก็เราก็จะทุกข์อย่าไปมีดีกว่าอยู่คนเดียวดีกว่าจะได้ไม่ทุกข์แต่ก็ไม่ยอมเชื่ อ, อยังไงก็ยังอยากจะลองอยู่ลองของทั้งทั้งนี้มีคนบอกคนสอนก็ยังหยุดอดเลิกไม่ได้อืม มีอะไรปะหมายอย่างคําถามแต่ไม่มีเลยค่ะ <c oughs> อะนั่งสมาธิไปก่อนก็แล้วกันกสักปับ๊บหนึงเดี๋ยวก็มีคําถามเข้ามาก็ถามนะเนี่ยที่เรามาศึกษามาฟังเทศฟังธรรมกันเพื่อมาแก้ความโง่ความหลงที่เราเคยหลงกันมาตลอดเนี่ยหลงหาลาบยศสารเสริญสู่กันมาไม่รู้กี่แสนล้านชาติแล้ว <c oughs> แล้วก็จะหลงอย่างนี้ต่อไป จนกว่าเราจะได้มาศึกษาแต่ศึกษาอย่างเดียวก็ไม่พอศึกษานี้ไม่สามารถที่จะเปลี่ยนนิสัยของเราได้เราต้องปฏิบัติมันถึงจะเปลี่ยนนิสัยของเราได้จากโลภ ก, ก็ให้มันไม่โลภจากโกรธก็ไม่ให้มันไม่โกรธจากหลงก็ไม่ให้มันหลงก็ต้องฝืนมันเวลาโลภ ก, ก็ต้องฝืนมันเหมือนกับเรามาเปลี่ยนหัดใช้มือมือใหม่สมมติว่าเราเคยใช้มือขวาเราถนัดมือขวา แต่เราอยากจะลองใช้มือซ้ายเราก็ต้องหยุดใช้มือขวาบังคับให้มันใช้มือซ้ายใหม่ๆถึงแม้มันจะยากลําบากก็ทําไปหัดไปเรื่อยๆเดี๋ยวไม่นานมันก็ชํานาญมันก็จะใช้ได้เหมือนกับมือขวาเพราะคนที่เขาถนัดซ้ายทําไมเขาใช้ได้เหมือนกับเราคนที่ถนัดขวาเพราะเขาเคยหัดมาใช้มาอย่างนี้มาตลอดหรือถ้าเกิดมือขวาเราเสียเราจะต้องทอํายังไงเราก็ต้องหัดใช้มือซ้ายอยู่ดีน พอใช้ไปเรื่อยๆสักพักนี่มันก็ชำนาญขึ้นมาดังนั้นเราต้องมาฝืนพฤติกรรมของเราที่ไม่ดีคือความหลงมันเกิดจากความไปคิดว่าสิ่งต่างๆในโลกนี้เป็นสุขพระพุทธเจ้าเห็นแล้วว่ามันเป็นทุกข์เพราะมันไม่เที่ยงมันเป็นสุขก็จริงแต่มันเป็นสุขปลอมสุขชั่วคราวสุขแล้วที่จะกลายพันธกลายเป็นความทุกข์ขึ้นมา ถ้าไปคว้าความสุขมามันเดี๋ยวมันจะกลายเป็นทุกข์ไปทุกทุก ท, ทุกครั้งไปช้าหรือเร็วเท่านั้นเองบางทีมันช้ามันเลยทำให้เราลืมไปเช่นกว่าจะจากกันนี่การอาจจะหลายปีอยู่ด้วยกันเป็นสามีภรรยาการมีความสุขด้วยกันมาหลายปีก็เลยลืมไปว่าคิดว่าเป็นความสุขแต่พอวันดีคืนดีเขาตายขึ้นมาจากเราไปขึ้นมาตอนนั้นก็กลายเป็นความทุกข์ขึ้นมาทันที มันช้ามันเลยทำให้เรามองไม่เห็นความทุกข์กันเห็นแต่ความสุขเพราะมันเร็วนี่ไหมแต่งงานกันป๊อปก็ได้ความสุขนะก็เราอยากจะแต่งงานกันอยากจะมีแฟนกันแต่เวลาอยากกันเวลาตายจากการนี่มันช้ากว่ากันมันนานก็เลยทาให้ไม่เห็นว่ามันเกิดจากการที่ไปมีแฟนเนี่ยมีสามีมีภรรยากั น, เ, นเราต้องคิดเราต้องวิเคราะห์ดู ดูด้วยใจด้วยปัญญามันถึงจะเห็นว่าทุกอย่างเป็นทุกข์ถ้าเห็นว่าทุกอย่างเป็นทุกข์เวลาอยากได้อะไรมันก็หยุดได้ใครอยากจะได้ความทุกข์บ้างที่อยากได้เพราะคิดว่ามันเป็นความสุขกันนี่คือปัญญาเป็นการแก้ความหลงความความไม่รู้ความโง่ <c oughs> แล้วก็ต้องปฏิบัติถ้าไม่ปฏิบัติเดี๋ยวลืม ถ้าปฏิบัติแล้วมันจะไม่ลืมมันจะเข้าไปในใจมันจะฝังในใจทุกครั้งที่อยากแล้วเราไม่ทำตามความอยากต่อไปความอยากมันจะหายไปแต่ถ้ารู้เฉยๆแล้วไม่ทำเวลาอยากก็ยังทำตามความอยากอยู่ความอยากมันก็ไม่หายไปมีคำถามเข้ามาแล้วใช่ไหมคำถามากาบคุณลองประยา่า <c oughs> นั่งภาวนาพุทโธเวลาสามทุ่มถึงสี่ทุ่มจิตสงบระยะสั้น แต่พอออกจากสมาธิแล้วจิตสงบแจ่มใสนอนไม่หลับเลยเป็นปกติหรือเปล่าครับไม่หรอกเวลาปฏิบัติธรรมนี้ถ้ามีส ต, ม ต, ต, ติมันจะตื่นตัวจิตมันจะตื่นตัวมันจะถ้าร่างกายไม่นไม่อ่อนเพลียมันก็จะไม่หลับแต่ถ้าร่างกายมันอ่อนเพลียมันก็หลับงั้นถ้ามันไม่หลับก็ภาวนาต่อไปปฏิบัติต่อไปถือว่ากําไรมีคนอุตส่าห์ถือนิสสั ช, ชิกันไม่ยอมนอน อยู่ถือสามเวรียาบทเพราะอยากจะไม่ให้มันหลับให้เราโชคดีมันไม่หลับมันตื่นจะได้มีเวลาปฏิบัติเพิ่มต้องดีใจอย่าไม่อย่าไปเสียดายเรื่องการนอนเลยนอนอยังไงเดี๋ยวก็ตายไม่นอนก็ตายแต่ภาวนาแล้วจิตมาหลุดพ้นเอาเวลานอนมาภาวนาดีกว่าถ้ามันไม่หลับให้ลุกขึ้นมาภาวนาเลยเดินจงกรมนั่งสมาธิไปถือว่าเป็นบุญ พิเศษแถมให้กับเราโอกาสพิเศษอย่าไปอยากนอนการอยากนอนนี่มันเรื่องของกิเลสอย่าอย่าไปส่งเสริมกิเลสมาส่งเสริมทากันถ้าถึงเวลาร่างกายมันจะนอนไปห้ามมันไม่ได้หรอกมันจะหลับอยู่ในท่าไหนมันก็หลับบางครั้งนั่งสมาธิแล้วสงบอย่นงนี้ครับแล้วก็ตื่นแต่ว่าพอจะมานั่งต่อ น, นี่ความคิดมัน ไหลยเยอะมากสติแล้วหมดกําลังเลก็ต้องสร้างสติขึ้นมาใหม่เหมือนชาร์จแบตเนี่ยเวลาใช้แบตชาร์จแบตเสร็จเอามาใช้มันก็ใช้ไปได้สักพักเดียวมันก็หมดเราก็ต้องพุโทโธพุทธโธพุทธโธขึ้นมาใหม่โอกาสครับความสงบทิศรวมกับสมาธิ3ามอย่างนี้มันตา่างกันยังไงครับว่ไม่ต่างกันเพียงแต่ว่ามันมีลึกมีมีตื้นมีมีสั้นมียาวครับ แล้วแต่กําลังของสติมันก็สงบระดับต่งตางๆไม่ฟุ้งซ่านเราก็เรียกว่าสงบอย่างหนึ่งนะอแล้วเวลาจิตหยุดคิดมันก็สงบอีกอย่างหนึง่งดันั้นมันมีหลายระดับด้วยกันไม่เป็นไรอย่าไปกังวลกับมันมันกินข้าวอิ่มหลายระดับใช่ไหะกินข้าวจานหนึ่งก็อิ่มระดับหนึ่งอย่างกินสองก็รอีกระดับหนึ่งกินสามจานก็อีกระดับหนึ่งก็กินมันเข้าไปก็กินกล้ามกินไม่ได้ แล้วเราพอใจกับความอิ่มระดับไหนเราก็กินในระดับนั้นไปเราพอใจกับความสุขในระดับความสงบในระดับไหนเราก็ทาในระดับนั้นไปตรงนี้มันได้แค่สงบมันมันไม่ไปต่อเพราะเวลามันทำมันน้อยการจเจริญสติมันน้อยเวลาที่เราปฏิบัติมันน้อยลองบวช ด, ดูสิแล้วจะได้มีเวลาปฏิบัติเยอะแยะเลยเอาเวลาไปทำอย่างอื่นเสหมดอ่มามีคาถามอีก ยังพอมีเวลาถามได้สองสามคำถามค่ะหนูหนูเพิ่งเริ่มปฏิบัติได้ประมาณเดือนมิถุาานายนค่ะแล้วพอปฏิบัติมาได้สักพักหนึ่งเนี่ยมันจะมีความรู้สึกเวลาจิตสงบนี่มันจะรู้สึกว่าแบบจิตมันทรมานมันมันเหมือนแบบว่ามันวนเวียนมานา น, นะคะเลยอย่างเงี้ยค่ะนหนูก็เลยอยากทราบว่ามันผิปกติหรือเปล่าถ้ามันทรมานยังไม่สงบนะ ถ้ามันสงบมันจะมีสุขมันไม่ทรมานแต่หลังจากออกมาแล้วมันก็จะเหมือนงเวลาถ้าถ้าเข้าคิดจริงๆแล้วมันก็เจอกับทรมานแต่หลังจากออกจากสมาธิแล้วมันจะแบบทางานทําการแบบมีความสุขมากแล้วค่ะตอนที่ทรมานเพราะมันยังต่อสู้กันอยู่กิเลสมันอยากออกแต่สติเราดึงมันเข้ามันก็เลยรู้สึกทรมานมันชักกระเยาะกันอยู่พอเราเลิกชักกระเยาะกันมันก็เบามันก็มีความสุขขึ้นมาอันนี้ก็คือไปดึงมันเกินไปหรือเปล่าไม่หรอกเป็นธรรมดาของทุกคนอะ <Okay. S 2> มันต้องตึงเครียดมันถึงยาแล้วอยู่ที่ว่าใครใจใครจะชนะถ้าสติชนะจิตก็สงบนั่งต่อได้ <Okay. S 2> ถ้าจิตถ้าสติแพ้มันก็ออกมาทำนูน่นทำนี่มันก็มีความสุขอีกแบบหนึง่งแล้วอันนี้มัน ม, มีมีทางที่เราจะข้ามตรงจุดนี้ได้ไหมก็ต้องฝึกสติให้มากขึ้น <Okay. S 2> มันพยายามพุโทโธพุโทโธไปทั้งวันอย่าปล่อยให้คิดด้วยเปื่อย <Okay. S 2> แล้วเวลานั่งจะมีกาลังมากขึ้น <Okay. S 2> แล้วจะไม่จะไม่ตึงเครียด ความตึงเครียดมันจะน้อยเพราะสติเรามีกำลังมากหลวงพ่อเจ้าคะออใจนิ่งกับสมาธิเนี่ยเหมือนกันไหมเจ้าคะชื่อเดียวกันนะเหมือนกันนิ่งสงบสมาธิค<ท>ำถามจากคุณนันทิดาการพิจารณากายตามมหาสติปฐานสี่เราควร พ, พิจารณาอันใดก่อนหลังคะ หรืออันใดอันหนึ่งก็ได้คะแล้วแต่เราจะชอบอยากจะพิจารณาอันนี้จังไม่เที่ยงก็ดูมันเปลี่ยนแปลงอยู่เรื่อยๆตั้งแต่ออกจากท้องแม่มันมันมีเวลาที่มันหยุดไม่เปลี่ยนแปลงไหมมันก็เปลี่ยนแปลงไปทุกวันที่มันช้ามันเหมือนไอเหมือนตัวนอนที่มันเลื้อยมันคลานมันก็ดูช้าแต่มันมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาไม่งันเราจากทาลกมาเป็นเด็กจากเด็กมาเป็นผู้ใหญ่ ต่อไปก็กลายเป็นคนแก่ต่อไปก็กลายเป็นคนตายคนเจ็บเนี่ยนี่พิจารณานิจังของร่างกายถ้าเราพิจารณาเพื่อไม่ให้ลืมเพมื่อให้ปล่อยวางไม่ให้ทุกข์กับความการเปลี่ยนแปลงเวลาเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีก็ดีใจกันแตเวลาตอนเป็นเด็กได้เป็นผู้ใหญ่นี่ดีใจกันแต่พอจากผู้ใหญ่มาเป็นคนแก่นี่ไม่อยากเป็นกันแล้วะแต่ก็ห้ามไม่ได้ร่างกายมันเป็นอนัตตาไม่ใช่ของเรา เราไปสั่งมันไม่ได้นี่ก็คือการพิจารณาอนิจจงอนัตตาอนัตตานี้หมายถึงว่าไม่ใช่ของเราเราไปควบคุมบังคับมันไม่ได้มันเป็นธรรมชาติเป็นของธรรมชาติเราต้องอยู่กับมันให้ได้มันจะเจริญหรือเสื่อมเราก็ต้องยอมรับมันถ้าเรายอมรับมันได้เราก็จะไม่ทุกข์ไม่ทรมานนี่ก็คืออนิจจงอนัตตาแบบหนึ่งอีกแบบหนึ่งก็ดูไม่มีตัวตน ในร่างกายมีแต่อาการ32ลองค้นหาดูว่าส่วนไหนของอาการ32นี้เป็นเราบ้างนีไห ม, มผมเป็นเราหรือเปล่าขนเป็นเราหรือเปล่าเล็บเป็นเราหรือเปล่าทั้ง32อาการไม่ได้เป็นเราเราไปตู่เอาเองเข้าใจไหมพอเกิดมาพอได้ร่างกายมาห อ, อกจากท้องแม่เราก็ตู่ว่าเป็นตัวเราของเราเท่านั้นเองอาใช้ปัญญาเหมือนคนโบราณเชื่อว่าโลกนี้แบนก็ไปตู่ว่าโรคนี้แบน แต่พอมีนักพิทยาศาสตร์เขามาค้นคว้าวก็ว่ามันไม่แบนมันกลมมันก็เหมือนกันเราก็ต้องมาสอนใจใหม่เปลี่ยนเป็นพระเป็ น, เปนทัศนกติใหม่เปลี่ยนมุมมองใหม่ให้มองว่าร่างกายไม่ใช่ตัวเราเป็นตุ๊กตาตัวหนึ่งที่พ่อแม่ให้เรามาเป็นของขวัญให้เราเอามาเล่นกับมันเท่านั้นเองเดี๋ยวมันก็ตายจากเราให้คิดอย่างนี้แล้วเราจะได้ไม่ทุกข์กับมัน คำถามจากคุณชนิดถามเวลานั่งสมาธิแล้วน้ําตาไหลแล้วก็ต้องออกจากสมาธิต้องแก้อย่างไรคะและการแก้นิวรณ์ทำอย่างไรคะ อ, อ๋อไม่ต้องไปแก้มันหรอกมันจะไหลก็ปล่อยมันไหลไปแล้วก็พุโทโธของเราต่อไปอย่าไปสนใจกับอาการต่างๆที่เกิดขึ้นไม่ต้องไปกังวลกับมันเดี๋ยวมันก็หายเองดูว่าให้รู้ว่ามันเป็นอนิจจังไม่เที่ยงเกิดแล้วเดี๋ยวก็ดับไป ถ้าเราไม่ไปสนใจไม่ไปยุ่งกับมันมันก็ไม่มีปัญหาอะไรไม่ว่าจะเป็นน้ําตาเป็นเสียงเป็นอาการต่างๆที่ปรากฏให้เรารับรู้เราอย่าไปสนใจให้อยู่กับพุทโธไปอยู่กับการดูลมไปแล้วแต่อย่างไหนที่เราใช้เป็นการควบคุมใจแล้วก็ทําต่อไปจนกว่ามันจะดิ่งลงสู่ความสงบตกหลุมตกบ่อแล้วนิ่งสบายมีความสุขนั่นแหะถึงจะหยุดได้ถ้ายังไม่ถึงจุดนั้นก็ทํำไปเรื่อย ส่วนนิวานีนไว้โอกาสหน้าค่อยมาว่ากันใหม่หนะรือไปเปิดฟังของเก่าหรือไปถามคนทาง Google ดูก็ได้ <Yeah. S 1> เคยตอบมาหลายครั้งแล้ว <c oughs> ตอนนี้มันหมดเวลาพอดี mm hmm. ก็ใครอยากจะถามที่นี้ไหมไม่มีแล้วนะ mm hmm. ถ้าไม่มีก็ขอยุติการแสดงธรรมไว้เพียงเท่านี้ขอให้ท่านจงนำเอาสิ่งที่ได้ยินได้ฟังในวันนี้ไปพินิจพิจารณาไปปฏิบัติ